อ่าพระอาจารย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นหน้าจอนะครับพระอาจารย์ครับการมรดกสถานครับผมท่านท่านคุณรและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่224แล้วนะครับตอนครับเมื่อเช้าพระอาจารย์ไปบินธบุรคนเยอะไหมครับผมวันนี้ก็199คนอ้เมือวันนี้ตรงวันพระวันพระด้วยร วันนี้ตรงกับวันพระด้วยครับกิจฟ้าจาร์เหนื่อยเลยนะครับวันอาทิตย์วันพระนะครับก็ไม่เหนื่อยเพราะนั่งเฉยๆก็เองไม่เหมือนมื่อก่อนเมื่ก่อนที่เดินเกือบสองชั่วโมงก็น่าดูไม่น่าหนาสองชั่วโมงครับแล้วตอนบ่ายแหละครับฟ้าจาร์คนไปเยอะไหมครับผมที่น่าไปตก็สองรอยกว่าคนสองร้อยสามสิบรวมเลยก็แปดร้อยกว่าครับผม ตอนนี้รวมรวมคนฟังตอนนี้ก็เกือบพันคนแล้วครับอาจารย์ครับ hmm. อันนี้ไปเจอเหตุการณ์นี่แล้วครับอาจารย์มีญาติสนิทเลยครับก็มาวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเจอทีระยะสุดท้ายเลยครับแล้วตอนนี้ทาง hmm. ทั้งบ้านญาติผมทั้งตัวคนไข้ก็ก็ดูน่าสงสารมากเลยครับอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะฟังเรื่องความตายอีกสักครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับกับขอความไม่ตาอาจารย์ครับผม คามตายมันก็เป็นความจริงของชีวิตความจริงสี่ประการคือเกิดแลว้วต้องแก่ต้งเจ็บต้อง ต, ตองายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะโดยจะจนจะสูงจะต่ำจะฉลาดหรือไม่หรดีหรือชั่วทุกคนเนี้ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคนถ้ามาเกิด ใช้ที่ทำให้ความแก่ความเจ็บความตายนั้งทำให้ใจทุกข์ก็เกิดจากความอยากของใจที่อยากจะมีร่างกายไปแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจอยากจะใช้ร่างกายไปตลอดว่าใจต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขสิ่งที่มีในโลกนี้ก็คือโลกกระถาทั้งสี่ ใแการล่ายศสรรเสริญและรูปสีกิจลดผลประาชนิดต่างๆนี่คืออาหารของของใจเป็นนมหายใจของใจก็ได้คือโล ก, กธรรมนีแล้วก็ต้องมีร่างกายที่เึ่แว่าที่สามารถที่จะทำหน้าที่รับใช้ใจให้ไปหาราบยศสรรเสริญ อาความสุขจากลบเสียงขีดว่า ต, ต่างๆมาเสกอเรื่อยๆพอเวลาร่ากายมีมีปัญหาขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแก่ชราความสามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดั้วก็จะทำให้ใจมีแต่ความทุกข์พรไม่สามารถหาความสุขเสกได้ใจก็เลย ยึดติดนื mm ้อ hmm. เครื่องปลาใส่ร่าง ก, กายนี้อยากให้ร่าง ก, กายนี้สมบูรณ์แข็งแรงเห mm ็ไ hmm. มจะรู้ว่าแก่้ไม่อยากให้แก่ให้ปล่อนใจบอกให้อยู่กันร้อยปียก็ยิ้มกันทุกคนครับไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ตายแต่มันก็เลิกเลิกใจใจก็รู้ว่ามันห้ามไม่ได้แต่ก็ไม่รู้จะทํายังไง ก็เลยพยายาไม่คิดถึงมันส่นใหญ่พอคิดถึงมันแล้วมันทำให่ใจทุกข์ทั้งที่ยังไม่ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอคิดถึงมันแล้วมันจะทำให้ใจทุกข์ก็เลยไม่อยากจะคิดก็ไม่คิดมันก็เลยไม่มีวิธีไม่รู้วิธีแก้ปัญหาไม่รู้วิธีไม่รู้สาเหตุว่าความทุกข์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงและวิธีการดับความทุกข์นี้ดับได้ไอย่างไรเพราะจะ พอเจอปัญหาเจอข้อสอบข้อสอบก็อ ส, อบอสอบตกันท่านนี้ก็อหบอกนคนใข้ก็ทุกญาติพี่น้องก็ทุกแต่ทอะไรเพราะว่าไม่เคยให้ความสำคัญกับการศึกษาหาสาเหตุ ข, ของความทุกข์นี้ว่ามันเกยจากอะไรแล้วก็จะแก้มันได้อย่างไรต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทิสัจเจ้าชายสิทธัตถานี่ เป็นคนที่กล้าหารฉลาดที่พอเห็นปัญหาพะพรอยคนแก่คนเจ็คนตายขึ้นมารู้ว่าตนตัวนองมีปัญหาะมีความทุกข์ใจที่ารากเหง้เสริญสุขที่ท่านมีอยู่ที่ไม่สามารถจะแก้ได้ก็เห็นมีทางเดียวก็คือบนทางของนับบุเทวดาทั้สี่ เราต้องเห็นคนแก่เห น, นเจ็บเห็นคตาแล้วก็ดความทุกข์ ม, มาแล้วก็เห็นนักบวชก็เลยทราบ่านบวชนี้เป็นผู้ที่จะค้นหาวิธีดับความทุกข์ได้ก็เลยมีความดีใจว่า ม, มีมีโอกาสที่จะไปดับความทุกข์ได้แต่ถ้าไม่อยู่แบบนักบวชในที่สุดทั้งก็เลยถึงเวลาท่านก็ต้องไปให้บวช พออยู่ในวังไม่ว่าจะร่ำรวยเป็น ม, าา ม, มหาจากักรพรรดิมันก็ทุกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายอย่างแน่ น, นอนไม่มีวันที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็เลยต้องไปบวชพอไปบวชก็ไปศึกษาวิธียึดดับความทุกข์ด้วยในสมัยนั้นนักบวชเขาก็รู้จักวิธีดับความทุกข์แบบชั่วคราวคือการเข้าสมาธิเข้าฌาน เวลาเข้าชาจิตเนื่องสงบความคิดต่างๆหายไปความวิตกกังวลหวาดกลัวความแก่ความเจ็บความตายกงหยุดหายไปชั่วคราวก็ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอนนั้นเห็นหน้ากายพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นหน่อยี ตอะนั้นไม่าวิธีไม่ทราบอะไรเลย่าทำไเวลาเข้าสมาธิความทุกข์หายไปเวลาออกจากสมาธิมาความทุกข์จึงกลับมาใหม่ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีความสามารถก็สอนได้ด้วยวิธีเข้าฌานนั่นเองเข้ารูปฌานหรือเขรูปฌานแต่เวลาที่ไม่ได้อยู่ในฌานนี้ก็ยังต้องทุกันอยู่ก็เลยต้องไปค้หนหา โดยวิธีวิธีดับความทุกข์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่ต้องมีเราคือร่างทุนถึงถึกขั้นทรม า, านร่างกายอุหาูมสีิก้าวันก็คิดว่าจะสามารถดับความทุกข์ได้ถ้าสามารถทรม า, านร่างกายให้ร่างกายทุกข์ยังเป็นที่เลยแต่ความทุกข์ในใจมันก็ยังมีอยู่ถึงแม้จะยอมให้ร่างกายทุกข์าหาดไหนากระดับ ความทุกข์าใจมันก็ยังมีอยู่ไม่หายไปพองมื่อไรสมย้อนกลับมาดูว่าตอนที่เข้าสมาธิทําไมความทุกข์หายไปพวลาออจากสมาี่มาความทุกมันกลับมาใหมก็เห็นว่าออกเวลาที่อยู่ในสมาธิความคิดมันหยุดไปความคิดหยุดไปความอยากต่างๆ ก, ก, ก, ก็หายไปควาอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาไม่ก็หายไปหยุดไปความทุกข์ก็เลยหายไป แต่พอออกมาจากสมาธิมัมานแลกแหล่งความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็กลับมาเพราะว่าความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ได้มันมันก็กลับมามันกลับมาต่อความคิดกับการสัมผัสรับรู้เร้าของร่างกายก็เลยสำรวจออกมาว่าโอ้ทุกกระจับความอยากอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาควาดสุขความอยากเสียงรูปเสียงกลิ่นรสที่ละการพัฒนาความอยากมีอยาก อยากมีก็คืออยากให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วความอยากไม่มีไม่เป็นก็คือความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายก็ได้ข้อสรุปว่าความทุกข์ขอใจเกิดจากความอยากสารประกาศในควา ม, มาตาณาความอยากเสียงโน้มเสียงกินนั้นภาวะตาณาความอยากมีร่างกายที่สมบูรณ์ย่างแรงก็ที่จะได้ใช้ร่างกายนี้ไปเป็นเครื่องมือเอาขวามสุ แม้กความอยากไม่ให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายมันก็นเลยทําให้ใจชุกเวลาที่ได้พบเจอกับความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่สามารถทําตามความอยากคือการมาตานหาได้อยากจะเสก ร, รูปเสียงกลิ่นั้นเวลาไม่สบายนี้มันไม่มีอารมณ์ที่จะเสกเวลาแก่ก็จะไปเชื่อไหนมาไหนก็ไม่เหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มวัยสาวแล้วอีเวลาตายก็หมดสิน้น เมื่อไงสอคนพบว่าเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็คือก <c oughs> ็คือความอยากสามประการนี้แล้วจะทําไงให้ความอยากนี้หายไปก็ส่งส่งเชื่อว่าบางคนพบว่าเครื่องมือที่ทําให้ความอยากนี้หายไปก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพล้วมสศีลแล้วมีสมาธิแล้วเพมาค้นพบปัญญา ปัญญา ก, ก็คือการเห็นความทุกข์ใจเกิดจากความอยากและการที่จะหยุดความอยากก็ต้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นตายรักเป็นอนิจจ์ทุกข์กรรมอนัตตาเป็นอย่างให้ร่างกายร่างกายอยู่มันก็เป็นไปไม่ได้ร่างกายมันก็เป็นอนิจจ์เป็นของชั่วคราวมันเป็นอนิจจ์มันไม่อีู่ภายใต้กันควบคุมบังคับของเรา มันจะต้องแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนไม่ไปทางเรื่องทางเลยแต่ถ้ายามรับว่ากรถ้าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยาวแล้เสียเัินหยุดความอยากง่ายหยุดความอยากจะเสพต้องหยุดความอยากจะเสพความสุขผ่านทางร่างกายยังไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขให้อยู่ให้เสพความสงบได้จากสมาธิแทน ก็รับความอยากต่างๆได้ไม่ต้องเพึ่นร่างกายได้เมื่อเราสามารถมีความสุขแบบใหม่ได้ความสุขที่ได้จากการําใจให้สมดุลด้วยสมาธิด้วยฌานเคยสามารถละการที่จะพิ่งราร่างกายได้ร่างกายไม่ต้องใช้มันเราก็มีความสุขได้ก็เลย ไม่กลัวความเจ็บความแก่ความตายต่อไปความความแก่ความเจ็บความตายเพราะยอมรับความจริงเพราะหน้ากายมันต้องแก่ตัองเจ็บต้องตายเป็นอนนิจจังเนนรัสตาถ้าเราประยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกทางเมื่อกิดขึ้นมาไี้ก็เลยตัดสินวิธีดับความทุกข์ของใจคือจับทิฏฐ์ความอยากเพราะเกิดความอยากใจนี้ที่สงบก็จะ วุ่นขึาทันทีอาจจตอนนี้ก็รู้สกใจสบายสบายเลแล้วเกิดมีเรื่องอะไรขึ้นมาอยาความอยากขึ้นมานี่ใจมันก็จะอยู่ไม่แน่นนะอ่เราะนั้นก็นนนนเห็นว่าความวุ่นวายใจความทุกใจเกิดจากความอยากนะสิ่งที่ทําให้ใจอยากก็คือความไม่เห็นใจครับไม่เห็นว ดาบช่วยฉสนฉันสดนี้มันเป็นอ น, นิจจ์เป็นเป็นทุกข์ครับได้มาน้าเดี๋ยวก็ราหมดไปเห็นอไรเห็นเยูะเรื่อยยศเนี่ ย, ย, ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะเรื่อยเปลี่ยนเจ้าอยีกันเยอะเรื่อยแต่เราก็ไม่ยอมมองเห็นไม่ยอมมองเห็นเราคิอว่าไม่เป็นไรขอให้ท่านั่านสักหน่อยก็ยังดีสี่เดืน ย, ยังดีแล้วเดี๋ยวมาหมดสี่เดือนก็ทุกข์เลยต้ อ, ต, อต้องทิงนะ แต่ก็มันเป็นอวิชชาพอไม่เห็นตายแลเห็นสิ่งตา่างๆในทําให้เกิดความอยากขึ้นมาไม่เห็นทุกข์ในสิ่งตา่างๆถ้าเห็นทุกข์ในสิ่งตา่างๆก็จะไม่อยากถึงจุดหมายสุดท้ายก็คือต้องมองเห็นตายแล้ในทุกอย่างที่เราอยากได้เราจะได้ไม่อยากได้ ต่างการนี้เราก็จะไปอยากให้มันอยู่ไปตลอดมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอนิจจมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องยอมยอมรับความแก่ความเจ็บความตายโดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะเราสามารถมีความสุขจากการทำใจให้สงบได้ป้าจาย์ครับเวลาเห็นคนไข้ที่นอนรอความตายอยู่แล้วก็ เขาก็เจ็บปวดทรมานนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นเป็นเราเองที่เราไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วต้องต้องใช้เวลาสักสองอาทิตย์กว่าจะตายเงี้ยครับอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกทนกับความเจ็บความปวดเราจะต้องฝึกอยู่กับตัวเองยังไงได้ครับอาจารย์ครับก็จะจะปวดแต่ร่างกายเลยแตจะไม่ปวดทางใจที่มันทรมานไม่ไดเกิดจากความปวดทางร่างกายความทรมานเกิดจากความ เกิดป่วยความเจ็บทางใจใจทุกเนี่ความทุกข์ใจนี้มันรุนแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายแต่ถ้าเราดับความทุกข์ทางใจได้ด้วยการหยุดความอยากด้วยการทําใจให้นเงียบสงบได้ทุกส่วนใหญ่ที่เป็นทุกข์ที่ทรมานนี้จะหายไปไในแต่ทุกที่เป็นความเจ็บเฉยๆของร่างกายเท่านี้มัจะสามารถอยู่กับมันได้ ตอนนั้นก็ต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับอาจรย์ก็แล้วแต่เราอยู่ในขั้ น, นถ้าเราอยู่ในขั้นสติแล้วก็ต้องมีพุโทโธพุโทโธค่อยคอยอยู่ถ้าเราเข้าสมาธิได้แล้ว เ, เข้าสมาธิไปอยู่เรื่อยๆออกจากสมาธิมาก็ต้องคอยควบคุมใจอย่าไปอย่าไปคิดถึงความตายดังนั้นถ้าอยู่ในขั้นสมาธิ ถ้า ไ, ได้อยู่ในขั้นปัญญาก็เวลาเมื่อออกจากสมาธิมาก็มอกความตายว่าเป็นความจริงมองว่าเป็นสิ่งที่เราเลียงไม่ได้เราต้องยอมรับมันให้ได้แล้วเรายอมรับได้แล้วก็จะหยุดความไม่ความอยากไม่ตายได้เพราะรู้ว่ามันต้องตายเราก็ยอมรับเมื่ยอมรับเราก็หยุความอยากไม่ตายก็จะหายไปความอยากไม่ให้ตายไปความทุกข์ใจก็จากความอยากไม่ตายก็หายไป ก็เ แ, แต่ความทุกข์ทางร่ายกายในคนเดียวทุกข์ทางใจไม่มีเลยส่วนทุกข์ทางใจในเก้าเก้าในสิบเป็นทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายในหนึ่ในสิบพอเราหยุดความทุกข์ทางใจเก้าในสิบได้ก็เหลือหนในสิบมันอเราเลยจิ๊บจ่อยไปก็อยู่มันได้แล้วในแง่ญาติครับอาจารย์ครับเขาก็จะถามผมครับว่าเอาอยัางไงต่อดีครับเช่น อ่าจะปล่อยเลยถอดทุกอย่างออกหรือว่าจะให้ยาพอบรรเทาหรือว่าจะเอาเต็มที่อย่างนี้ยครับอาจารย์ครับถ้าเราแต่คนไข้เราแต่คนไข้คนไข้เขาเม็นเจ้าของร่างกายของเขาเขาเป็นคนตัดสินใจเอาเขาจะรักษาไม่รักษาไดอย่างไรคอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนไข้ยาติพี่น้องไปทุ ส, สนับสนนคอยตอบสนองความต้องการของคนไข้จะดีกว่า โีกาสที่จะไปชี้ชะตาชีวิตของเขาหรือเลือกเลือกวิธีการรักษาให้กับเขาครับแล้วถ้าในขณะนั้นเขาเขาไม่ได้สั่งไว้หรือว่าเขาสื่อสารไม่ได้แล้วอย่างนี้ครับอาจารย์ครับก็บบต้องมาประชุมกับระหว่างญากับคุณคล้วนหาทางออกที่ดีที่สุดเดี๋ยวนี้เขาจะมีนยิยมเขียนมาลดโรไว้ก่อนไปเลยลรคมา ก, กายใช่ ถ้าเวลาเป็นอะไรไปแล้วของลดการรักษาแบบแบบที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างรักษาไปแบบตามธรรมชาติแบบกินยาได้ก็กินไปกินข้าวไดก้กินไปอาแบบจะไม่ใช้สายยาไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรต่อันนี้ก็สามารถทําวิธีกับร่วมงานไปได้ก็าอา จ, จมีมีฝลั่งอยู่คนหนึ่งก เขาให้สลักท like like right? cool. ี่น่าของเขาภาษาจีนว่า Do not r e s u s c i t a t อย yeah? no ่าปั้มหัวใจถ้าเกิดเวลาก็พยายามค่ก็ๆปลดเสื้อขึ้นมาจะปั้มหัวใจก็จะเห็นเลตัวสักเชื่อก็อย่าอย่าปั้มหัวใจทำไว้ครับผมแสดงเจตนาไว้ให้ชัดแจ้งใช่ไหมครับชัดแจ้งเราก็จะมาปั้มหัวใจอ่าดูเขาเขามีรอยสักไว้เขียนไว้เลยอย่าปั้มหัวใจ โอ้ชัดเจนครับอาจารย์ครับวันนี้น่าจะถ้าญาติญาติก็ฟังก็อาจจะได้คําตอบไปแล้วครับอาจารย์ครับเพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าคนไข้คงไม่ได้อยากอยู่ใส่ท่อไปอีกสองอาทิตย์เพื่อจะยืดอายุให้มันยาวขึ้นเพื่อทรมานอีกสักสองาอาทิตย์อย่าเงี่ยของอาจารย์ก็เรื่องของหลวงปู่ชานท่า น, นก็เป็นครับท่านก็อยู่แบบนี้เขาใช้เครื่องช่วยหายใจใช้เครื่องสายยางอะไรนะต่างๆให้อาหารอะไรต่างๆ อยู่หลายปีนั้นยังไม่ทั้งรู้สึกที่สุดก็ไม่กล้าตัดสินใจเลยไปขอคว า, าม่ตาอย่างน้องตา ม, มาแล้วบผมให้ช่วยพิจารณาให้เลยน้อตงตาก็บอกถอดแม่หมดเถอดของมือดิ้นันเหมือนกับอ่าเป็นเหมือนเชื่อเพลิงที่ทําล่อเลี้ยงให้ร่างกายมันสร้างความทุกข์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพรามันก็อยู่แบบทุกข์อะอยู่แบบคนไข้ยงั้นหยุดเชื่อเพอลิงนี้ดีกว่าให้มันหยุ่ พอหยุดร่างกายก็ตายมันก็จ บ, บยังไม่ได้ใช้กล้าไปทนนําพรากลัวกลัวบาปอะไรอย่างเงีแต่ถ้าเราได่รู้ว่าร่างกายนี้มันก็เป็นแค่ยินน้ําลงไปร่างการที่ยุติการรักษาก็ไม่ได้เป็นการกระทําบาปเปอย่างไรเป็นการปล่อยให้ร่างกายมันดูแลตัวมันเอตามโดยตามธรรมชาติของมันเหมือนสมัยพุทธการเราก็ไม่มีเครื่อัดเครื่องมือต่างๆอะไรองเงี้ย ถึงเวลาเขาก็อยู่เป็นไปรักษาไปตามตามีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปล่ให้ไปไดนคําตอบแล้วครับทานกานครับแต่ถ้ า, าไปทำให้ตายไม่บาปหรือว่าคนไข้ายังไม่ตายแล้วอยากใช้ให้เขาตายเร็วๆจะได้ไม่ได้ไม่ทรามานมากเช่นการรุนยาฆ่าเนี่ย นี่เป็นการกระทำบาปมาไปฆ่าเขาแต่ถ้าปล่อยให้เขาตายเองโดยธรรมชาติไม่บาปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ปล่อยให้เป็นให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ถ้าเราไปทําเรามีเจตนาาแะสดงว่าเรามีความคิดที่ไม่ดีการฆ่าผู้อื่นหรือว่าจะมีทํามหลงเชื่อเป็นการช่วยเขาให้ตายเร็วขึ้นอะมันก็เป็นการฆ่าถ้ามันจะปลุกติ่ ได้ผิดไปกับใจของเราต่อไปลราก็จะเห็นว่าการฆ่าเป็นเรื่องดีไปก็ได้อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นคือถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับถ้ามีความคิดไม่ต้องใส่ท่อจมูกลงกับท่ะครับก็พอได้ิหายใจได้ก็หายใจเดืน้ําได้ก็เดือกินได้กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินครับ ขอการทางก็ถามจากเพื่อนบ้างนะครับมีพี่ชายที่ป่วยเป็นมะเร็งตับครับลูกกําลังลูกให้กําลังใจไปเยี่ยมดูโอเคแต่พอเล่าว่าเวลาลูกป่วยจะต้องพูดโทเป็นที่พึ่งแล้วจิตสบายไม่กังวลกับอาการป่วยเขาไม่ฟังคือตั้งใจจะให้มีที่พึ่งาวราระสุดท้ายให้เขาคิดถึงบุญที่ทําครับก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่บางคนก็มีศรัทธาไ ม, มองว่าที่นเรื่องมุงาย เพราะเขากล้าแติดว่าไปทำพุทโธแล้วมันจะได้อะไรอะ ไ, ไรไม่ได้มีศรัทธาความเดินสายเรื่องของความเชื่อนี่เป็นเรื่องที่ยากต่อาการเปลี่ยนแปลงคนเพะฉะน้นเวลาที่เราจะพยายามบอกคนให้เชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยนะต้องดูว่าเขาอยากจะเชื่อหรือเปล่าเขาสนใจไหมเปล่าถ้าเขาไม่สนใจอะไรพูดเองที่เขาต่อต้านเขามีความเชื่อของเขาอยู่แล้ว ทำไมคนส่วนใหญ่กลัวกันตายมากกว่ากลัวเกิดทั้งทางที่เกิดทีรายก็ทุกทุกทีส่วนพระอริยเจ้ากลัวเกิดมากกว่ากลัวตายครับเพราะเขาไม่รู้เขาตายแล้วไปเกิดหรือเปล่าอันนี้เขาก็ไม่รู้นะแต่เขาเริ่ว่าตอนนี้เขาไม่ชีวิ่เขา้องตายแล้วเขาไม่ต้องการเขาไม่อยากจะตายเขาก็เลยกลัวความตายแต่พระอริยนี่ท่านได้ศึกษ า, าได้รู้ว่า <c oughs> การตายนี้ ไม่ได้ในการสิ้นสุดของชีวิตถ้าเชื่อที่พาให้มาเกิดยังไม่ได้ถูกทำลายเชื่อนี้ก็จะพาให้กลับมาเกิดอยก็คือความอยากนั่ก็เลยกลัวความเกิดกันเมื่อเกิดแล้วก็ต้องาตายต้องทำไปนั่นเลยต้องหยุดความอยากให้ได้หยุดความอยากได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปพระอาจารย์ครับวางใจไม่เป็นเลยจริงๆครับ วันแรกที่รู้ปฏิบัติมาไม่ได้กลัวความตายแต่พอรู้ว่าเราเจอโรคร้ายก็ยอมรับก็เสียใจอยู่ระยะหนึ่งเลยครับอาจารย์ครับเพราะเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วมหน้าก่อนครูอาจารย์สอนให้ดอนเติอนใจเรื่อยๆว่าเราแกนั้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องทนความแก่เราเจ็บความตายไปไม่ได้ให้คิดอยู่แบบน้อยที่อ ย, อยู่ทุกวันคร่ำสอนใจไปเรื่อยๆแล้วใจมันจะค่อยๆ สืบทราบรับความจริงอันนี้ไปแล้วมันจะเตรียมตัวเตรียมใจแต่งแม้ว่าจะไม่สามารถากาจัดความทุกข์ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ายังไม่มีสมาธิเท่านั้นเองแต่ถ้าไปฝึกสมาธิได้แล้วเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับความตายนี้ได้ความทุกข์ทั้งหมดก็จะหายไปเลยแต่ถ้าไม่มีสมาธิอย่างน้อยก็ถ้ายอมรับได้ก็ก็หายไปอย่างน้อยห้าห้าสิเปอร์ซ็นต์อะไรครึ่งนึงแต่ยังหายไม่หมด พอได้สมาธิเนี่หายหมดเลยเหรอครับอาจารย์หายหมดเล ย, ยเขาจิตสามารถหยุดความอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามีสมาธินี่มันหยุดเท่าที่กําลังสติที่มีถึงไม่ได้รอยเปร์เซ็นต์ตอนหยุดได้หมดนั้นก็คือเป็นพระโสดาบันแล้วใช่หครับอาจารย์ก็ถ้าถ้าถ้าถ้าเห็นว่าเห็นว่าความทุกข์กิดจากความอยาก แล้วสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นไปตายรักเป็นอนิจจงทธรรมต้องเห็นเป็นปัญญาไม่ใช่บางทีมันเห็นด้วยตาไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนี้มันก็อาจจะเป็นเป็นการไม่ทราบมันเป็นหรือั้ลอันนี้ไม่อยากจะวิเคราะห์อีกแล้วของไพ่เนี่ยพูดเกี่ยวกับความสามารถที่พูดได้ ถ้าเราสวดมนต์แต่ว่าไม่รู้คําแปลอย่างนี้เราสมควรจะสวดไปไหมครับก็เป็นการเจริญสติอย่างเดียวเถิมีที่ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเจริญน่านเรื่อง น, น, นีได้ถ้าเราอยู่กับการสวดถึงแม้เราจะไม่เข้าใจความหมายก็ไม่เป็นไรอ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเมื่อเวลาต่างๆ แต่ถ้าเราส่วนแล้วเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ความรู้คือปัญญาดนะ้วยรู้ว่าบทที่เราสวนนี้ทัานสอนเรื่องอะไรอยู่ที้เราสวดบทธรรมจักรเราก็จะรู้ว่าทั้นสอนเรื่องอนุยาสัจจีเรื่องมรรคแปด็ต้นเรจะได้ทั้งสองอย่างได้ไดสติแล้วก็จะได้ช่ได้ได้ปัญญาดนะ้วย อยากกลับเป็นถามว่าถ้าพี่มายืมเงินเราไปนานหลายปีแล้วแต่ไม่เคยคืนถึงเราจะเคยถามไปบ้างมาวันนี้เขามาขอให้เราจ่ายค่าทําสวนในบ้านโดยที่ไม่เคยบอกหรือปรึกษาเราก่อนอีกทั้งเป็นเงินที่น้อยตอนเขาดึงเงินเราพอสมควรว่าเราไม่จ่ายแล้วถือว่าเงินที่เงินเราอยู่กับเขาแล้วแบบนี้ถือว่าเราผิดศีลไหมครับถ้าเราไม่จ่ายถ้าเราเราทําไมต้องจ่ายเขาด้วย เราเป็นนี่เขาหรือเปล่าถ้าเราเป็นนี่เขาเราไม่จ่ายมันก็ถือว่าเราก็เหเเมือนกับเราชอบโกงเขาเราเราเย็นมันเข้ามาแล้วเราไม่จ่ายเขาแต่เวลาเขามาถูกคืนเราไม่จ่ายแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นนี่เขาวเขามาเถืองเราไม่ให้เขาเราก็ก็ไม่เป็นไม่เป็นการผิดศีลใดเลยแต่เรื่องอดีตที่เขาเคยเอาไปของเราไปให้ก็เป็นคอลเรื่องกันอันในเรื่องปัจจุบันนี้ ถ้าเกิดเราเรายืมเงินเข้ามาเราก็ต้องคืนเข้าไปนอกจากว่าเราพูดเขาว่าเงินที่เราคุณเยอะๆมาให้เป็นของผมเนะี่ยผมไม่ต้องเคยคุณ น, น, นะเพราะเป็นเงินที่คุณยืมผมไปผมพอยืมคืยย น, คนถ้าดังบอกวเขา้าใจไว้ก่อนตรงหน้าได้ก็ไม่ต้องคืนเขาก็ไม่ผิดศีล ดูเหมือนเจ้าของคำถามเอาเงินมาหักกันไว้ครับอาจารย์คือให้ยืมไปแต่ว่าพอมีค่าใช้จ่ายในบ้านบอกว่าจะไม่จ่ายได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์มันจะหทนหนี้กออกไปแต่เขาไม่ยอมนะประเด็นก็อยู่ที่ว่าท่าจะมองว่าเป็นการหันหี้ก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้เป็นข้อพคพาทกันต่อไปได้ก็ต้องไปรู้ไปจบที่ไหนต้องไปได้ไปหนต้องยอม <c oughs> มีอยตอนนี้มีความกังวลเรื่องนี้มากๆเลยครับโปดจะพวกัวเจอมะเร็งครับต้องคิดและทําอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะจิตใจครับรอาจารย์ขอคําแนะนําครับผมก็อ <c oughs> อย่างที่บอกนะจิตใจก็ต้องพยายามทําจิตใจให้นิ่งให้สขขงบให้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วก็สอนใจว่าความจริงของร่างกายเมื่อมันเป็นของไม่เที่ยว ที่เกิดแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่มีใครยกเว้นนถึงเวลาที่จะต้องเจ็บต้องตายก็ต้องยอมรับไปก็จะยอมจะรับได้มากน้อยก็อยู่ที่กำลังของสติกำลังของสมาธิถ้าเราสงบได้มากก็จะรับได้มากถ้าสงบได้น้อยก็จะรับได้น้อย ตอนนี้มีความทุกข์เรื่องลูกวัยรุ่นครับไม่ยอมไปโรงเรียนเลยครับจะต้องทำอย่างไรดีครับอาจารย์ในี้ก็ทตุ้นความอยากเขาอยากที่ทำให้ทุกอยากให้ลูกไปโรงเรียนแต่ความจริงก็คือลูกเขาไม่ไปโรงเรียนลูกเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งไปบังคับให้เข้าไปโรงเรียนได้เราก็เลยทุกข์เพราะอยากให้เขาไป ถ้าเรามองเห็นว่าเขาเป็นอนัตตามเราสั่งเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เขาไม่ไปเราก็ทำงานไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้ร่มไม่ต้องไปลำบากยอมรับคํามจริงของเขาใจเราก็จะไม่ทุกข์คุณหนุ่มน้อยครับมีสองคำถามครับข้อที่หนึ่งคนที่มีความสุขมากเรียกว่าชั่วข่าวใช่ไหมครับ มาให้สูงมากนี่มันไม่ได้มาเพราะว่าเชื่อข่าวสูงมากปิาวนก็มีแบบเชื่ขอขาวพวนี้ข้อที่สองครับพระสอนที่ปัสนาโยมที่สถานปฏิบัติธรรมถามว่าพระสอนโยมอันนี้ท่านเป็นแท้จริงไหมครับเขลองถามท่านดูเลยเพราะว่าการศึกษานี่มันทํงานนี่มันมีหลายระดับศึกษาแบบไม่ปฏิบัติแข็ศึกษาแบบปฏิบัติ ถาเป็นศึกษาแบบไม่ปฏิบัตินี่ก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนกับศึกษาแบบปฏิบัติและบรรลุต้องบรรลุ ด, ด, ด้วยปฏิบัติแล้วก็บรรลุ ด, ด, ด้วยถึงจะได้ธรรมะที่สมบูรณ์ทำแท้อยู่ที่การศึกษาและปฏิบททัติจนบรรลุมรรคมีฐานขึ้นมาก็จะได้ธรรมแท่อนาศึกษาอย่างเดียวยังไม่ได้ปฏิบัตินี่ก็ยังไม่ได้ทําแท่อมันทำจินรนาการ มีเพื่อนครับไปพบหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะแรกแต่ไม่กล้าไปหาหมอท่านมีวิธีการแนะนําแนวทางอย่างไรที่จะไปคุยให้เขาได้ไปพบหมอไหมครับอาจารย์ก็เรื่องของเขาเนะี่ยจะไปรังแับเขาไดไ้ตัวเขาไม่ตัวเขาไม่ไปแล้วเราจะไปไ ป, ไปทํำให้เขาไปได้อย่างไรนี่ไม่ได้เดีย๋ยวจะทําให้เขาโกรธเรืเสียเปล่าไม่ยุ่งกับชีเขาทำ ไ, ไม นอกจากถ้ามีมีวิธีที่จะจูใจเขาบอกจะเป็นคนใจ่าารักษาให้นี้า้าจะไปก็ได้น้องที่ก็ไม่ไปเ่าะอะไรเขาา จ, จะไม่มีเงินพอที่จะไปจ่ายเขาเลยไม่อยากจะไปถ้าเราอยากอยากให้เขาไปเรามีเหตุจูงใจว่ามันจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาวิวาให้ทั้งหมดนี้เขา อ, อาจจะไปได้ จะทําอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียพัดพลาดจากของที่รักครับก็นี้แหละต้องทำสองอย่างสอนใจว่ามันต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นครามจริงของชีวิตแล้วก็พยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจให้เน่งให้ได้ถ้าทำสองอย่างนี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับปกติทานทันยพืชชนิดหนึ่งซึ่งช่วยให้นอนหลับแต่ถ้าไปถือศีลแปดที่วัด จะทานก่อนนอนโดยถือว่าเป็นยาได้ไหมครับอาจารย์เป็ได้หรับนั่งสมาธิแล้วฟุ้งตลอดครับจะต้องทำอย่างไรดีครับต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนฝึกสติในระหว่างมันตั้งแต่ต่งจำหลับนี้เราสามารถจะเริ่มจนสติได้ด้วยคำวิธีคำพุโทโธพุโทโธไปอยู่เด้่าย ในด้วยการเฝ้าดูว่าร่างกายเราเองมันทำอะไรอันก็จะทำให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้นวันนั่งสมาธิก็มีโอกาสที่จิตจะสนุได้ง่ายขึ้นมากขึ้นคุณแม่อายุ93ปีแล้วครับเขียนจดหมายถึงคุณหมอว่าไม่ใส่ท่อทุกอย่างลูกที่เฝ้าดูแลอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปมันเป็นเจตนาระร์เป็นความนั่งใจของคุณแม่ ก็ไม่บาปัำหรับคนแม่ด้วยท่านไม่ได้สั่งให้หมอข่าฆ่าฆ่าตัวคุนแม่ท่านเดีงแต่สอนสอนนแบบแบบั่ว่าไม่ให้รักษาแบบแบบที่มนุษย์มันเวอร์เกินไปให้รักษาแบบตามตามปกติเราควรใช้สัก์แต่รู้หรืออุเบกขาเพื่อไม่ให้อุปทานขันเกิดขึ้นนะครับ ก็มันเหมือนกันอ่ะสัจธว่าเรื่องเกิดเบิกขานี่การจะให้มีสัจธรว่าเลื่องเบิกขาได้มันมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาตอนที่เรากําลังใกล้จะตายและยังพอมีสติรู้ตัวว่ากําลังจะตายแล้วใจเราควรนึกถึงอะไรนะตอนนั้นครับตอนนั้นคนก็ควรจะรู้ว่าถ้าไม่รู้มันไปสอนตอนนั้นก็ไม่ได้ ก็คือใจก็อย่างที่บอกก็มีสองอย่างทำใจให้นิ่งด้วยสมาธิด้วยสติพูโทโธไปหนึ่งถ้ามีสมาธิแล้วถ้าสอนใจว่าให้ยอมรับความตายความตายนี้เป็นเรื่องที่เราเกิดขึ้นกับร่างกายนี้อย่างแน่นอนอย่าไปฝืินอย่าไปยื้อถึงวเวลาจะตายก็ปล่อยให้มันตายไป ความตั้งตนไว้ชอบในมงคลสูตรหมายความว่ามีศีลธรรมไหมครับก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ตั้งตนไห้ชาวก็คือให้รู้จักว่าเรามีฐานะอย่างไรก็ได้ยืนกับที่ใดสถานที่ใดเราว่างจะบอกทีมนุษยมนุษยตนว่าเราเป็นใครเวลาเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องเป็นนักเรียนเวลาเราอยู่กับลูกเราเก็ต้องเป็นพ่อแม่การรู้ตอนก็คือรู้ฐานะของตนมา ตนมีธานะอย่างไรกับใครถ้าถือศีลแปดติดต่อกันเป็นสั ป, ปดาห์กินอาหารหนึ่งถึงสองมื้อแล้วเกิดความหิวเวลาปฏิบัติธรรมเราควรทำอย่างไรให้จิตใจสงบไม่นึกถึงความหิวครับก็ฝึกสตินั่งสมาธินี่เป็นก า, นบารบังคับให้เราต้องใช้สติสมาธิในกหลับความหิวเราถึงนั่งมาอดอาหารกัน การนี้ไม่ไม่ได้อดเพื่อให้มันให้มันรู้สึกว่าเราเก่งเรามีความเข้มแข็งอะไรทางนี้แต่ต้องการนำเข้าให้เรามาฝึกสตินั่งสมาธิเป็นเครื่องมือในการดับความหิวทางใจเพราะเราดับความหิวทางใจได้ความหิวทางร่างกายนี่มันก็หนึ่งในสิทธินั้นเราก็จะอยู่กับความหิวของร่างกายได้อย่างสบาย หนูได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ยอมรับความจริงที่มีปัญหาผ่าสมองหลายรอบได้เห็นใจทิ้งกายเลยครับเฉยๆกับกายเลยหลายคนเลยมองเหมือนคนปกติทั่วไปอันนี้คือของดีจากการปฏิบัติธรรมครับคุณปูเป้หรือเปล่าเนี่ยเปลีปล่ย น, นชืช่อไวันนี้มีบุญประเพณีทำบุญให้บรรพบุรุษ ความเป็นจริงเขาจะได้รับส่วนบุญจริงหรือเป็นหรือเป็นเพนียงประเพณีครับอาจารย์ครับก็มีความเชื่อว่าดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณนี้ยังไม่ได้ไปเกิดยังขาดบุญเยอะก็อาจจะมารอรับส่วนบุญจากผู้ที่เป็นญาติพี่น้องให้เขาแบ่งบุญที่เขาได้ทําส่งไปให้เขาได้อยูก็อยู่ที่ดวงวิญญาณนั้นว่าเขารอรับอยู่หรือไม่ แล้วก็ไม่รอรับอยู่นะเข้าไปเกิดแล้วเข้าไปอยู่ทที่อื่นะครับก็ไม่เป็นไรบุญที่ทําคนที่ทำบุญนั้นก็ก็ยก่ยอมไปเกาะคนที่ทําบุญเมื่อความตายมาถึงเราควรเตรียมตัวอย่างไรทางจิตใจและวิธีปฏิบัติใดที่จะช่วยให้ใจเป็นอิสระจากความหวั่นหวั่นครับเก็เนี้ยเราก็ต้องฝึกตายให้ก่อนก่อนตายจริงต้องซ้อมตายหรือว่าเรา เรอยู่กับความตายได้ไหมวิธีอยู่กความตายได้ก็ต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาสมาธิก็ใจต้องเนื่งเฉยปัญญาว่ายอมรับความจริงว่าเป็นร่างกายเป็นอนิจจไม่เทียงไม่ใช่ตัวเราของเราจะมีวิธีอย่างไรในการไม่ให้หลับเวลาที่นั่งสมาธิครับอาจารย์ก็ต้องมีสติมากๆ ก, ก่อนถึงจะนั่งได้แล้วก็ต้องกินอาหารน้อย การละพางนานั่งสมาธิได้ผลดีส่วนหนึ่งก็ต้องกินอาหารในน้อยรู้จักประมาณในการรับปรางนานะถ้าเป็นไป ไ, ได้ก็ถือศีลปต่คือละเวรจันละาราหารา น, น, น, นั้นจากเทื่องวันถึงนะำหรือถ้าอย่างอยากให้นั่งก็ไม่ง่วงก็นั่งตอนที่มันหิวก่อกินอาหารอย่าไปนั่งตอนที่หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วถ้ากินอาหารเสร็จแล้วนัางละประกันไระดับทุกคน ถ้าอยากจะนั่งแล้วแม่ให้หลับก็ต้องนั่งตอนนี้ยังไม่ได้กินอาหารกาลังหิว่าหารอยู่ยจะมีกําลังสู้กับความหิได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องพี่ชายเสียชีวิตตอนบวชครับพระอาจารย์สุชาติเป็นพระอุปถัมป์ตอนนี้ผ่านยังผ่านมาสามถึงสี่ปีแล้วยังทําใจไม่ได้เลยครับแต่พยายามทําสมาธิและเข้าถึงคําสอนมากขึ้นนะครับอาจารย์ ไม่ทราบเป็นไงนะแข่งเสียวแสดงว่าเป็นพระที่ที่มรณะตอนบวชไหมอาจารย์ครับไม่จำไม่ได้อไมนะ่ได้ตามหลักศาสนาพุทธ๊บการเบิกบุญมาใช้ได้เลยได้หรือไม่ครับเพราะว่าเคยได้ยินมาครับมันก็จะเบิกเองไม่ได้เหมือนเงินอะไรขายไม่ได้แต่บุญมันถึงเวลานมันจะ ปรากฏมันก็จะปรากฏขึ้นมาส่งผลขึ้นมาถ้ายัางไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ออกดอกออกผลตอนที่ตายจิดตดับแล้วไปเกิดทันทีเลยไหมครับอาจารย์ก็อาจจะต้องไปเกิดในพวกต่างๆก่อนยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะต้องไปเกิดในอาวัยถ้าบาปมากกว่าถ้าไปเกิดในอาบายก่อนถ้าบุญมากกว่บาปถ้าไปเกิดในสาวกมนุษย์ จิตที่ติดอยู่กับคําบริกรรมพุทโธไม่ส่งออกไปข้างนอกเรียกว่าสมาธิไหมครับกําลังเข้าสมาธิยังไม่เป็นสมาธิก็สมาธิแนละ้วจิตจะนิ่งสงบไม่ต้องใช้คําบริกรรมจิตจะไม่มีความคิดถูกใดและไม่มีความรู้สึกว่าต่อมีการต่อสู้กันเหมือนตอนที่เรานั่งใช้คําบริกรรมเหมือ น, นมีความต่อสู้ระหว่างคบริกรรมกัความควา ม, ความอยากคิดอยู่ แต่เราความอยากคิดหมดไปเพราะอเมริการไม่หยุดไปกนเลยแต่ความว่างความเล่งควอมเย็นคามสบายเพราะนั่นีึงเป็นสมาธิคุณพิษดาบอกว่าวันเกิดที่ผ่านมาได้มีโอกาสเดินทางไปใส่บาทพระจารย์นะครับเรากวาดลานวัดเอาดินวัดทิ้งขยะไปจะบาปและเป็นนี่วัดไหมครับไม่หรอ การสวดมนต์มากๆหลายๆบทให้มากที่สุดจําเป็นหรือไม่กับสวดไม่ต้องมากและนั่งปฏิบัติวิปัสนาอย่างไรถึงจะถูกต้องครับอาจารย์คือเป้อมาของการสวดก็คือมานับกับเช็ดปุ่แต่งอาบฟุ้งซ่านให้น้อยลงเพื่อที่จะมานั่งสมาธิได้ถ้าเราตั้งนั่งสมาธิแล้วพุดโธไม่อยู่ดูลมไม่ได้ใจยังโง่คิดเกี่ยวกัเรื่องนี้นเรื่องนี้นอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อน ญญญรเราไปในทางความยินหรือว่าต่างๆสกปรกตัวเราเล็กน้อยลงไปพอที่จะมาดูลมได้หรือพอที่จะมาพูดโธได้ก็เปลี่ยนมาดูลมแ้นพูดโธต่อไปจะทําอย่างไรถึงจะหยุดการตอบโต้คนที่พูดไม่ดีใส่เราได้ครับก็ต้องมีสติก่อนย้ำๆใจว่าจะตอบโต้เราก็าหยุดนั่นอะไรไม่มีสติเราก็ต้องไปฝึกสติให้ ม, มากๆ บริกรรมพูดโธให้แบบว่งใพระมายืมเงินครับบอกพรุ่งนี้จะใช้คืนไม่กล้าปฏิเสธแล้วไม่คืนและทำเป็นเฉยไปเลยถือว่าผิดศีลเราควรนับถือต่อไปไหมครับก็แลับแต่เราอยักจะนับถือว่าเราใครห้ามได้ ถ้าพ่อแม่ทำกรรมผลกรรมจะตกไปถึงลูกหลานไหมครับไม่ของใครของมันภาวนามา29ปีครับบอกแม่ว่าไม่อยากมาเกิดอีกแต่แม่กลับชอบกันแนะกระแหนว่าเราทำไม่สำเร็จคือไม่บรรลุมรคผลเสีทีทั้ท ง, ทงที่แม่ไม่รักษาศีลฆ่าสัตว์ตลอดเอาเปรียบคนอื่นทำผิดกฎหมายถูกศาลฟ้องแพ้คดีแต่ยังทำแบบเดิมอีก ขายเหล้าเบียร์แม่เรียกร้องมากต้องการนั่นนี่ไม่รู้จบไปหาก็ด่าเราก็เลี่ยงไม่ไปหรือนานๆไปทีก็ส่งข้อความแนวลูกทิ้งพ่อแม่แก่เท่ามาให้ต้องการเอาคนอื่นมาทําให้ตัวของเองมีความสุขควรทําใจยังไงกับแม่ที่เห็นกับตัวร้ายกาบแบบนี้ครับก็เราต้องแย่เยะแม่เขาก็เราก็มีหนา้นาทยยี่เลี้ยงดูแม่ถ้าเขาอยู่ในสภาพที่เขาเลี้ยงดูตัวองเองไม่ได้ โดยถึงแม้เขาจะเลี้งดูตัวเขาได้แต่ถ้าเรามีกําลังพอทีอ่จะสนับสนุนให้เงินเดือนเขาหรือย่างไรก็ส่งไปก็ได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้กันก็ได้การตอบแทนบุญคุณนี่ยังถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ของลูกอยู่ทันทีที่อรกทำน่าจะรายการหรือรายาอย่างไรอันนี้นก็ต้องยากเป็นเป็นเรื่องวิตสัยของแม่ไปแต่เรื่องของลูกหน้าที่ของลูกคือการตอบแทนบุญคุณคอือการเมียการปัตยืนก็ทำที่ครับพ่อแม่ก็ต้องมี อาจรจะตอบแทนแต่ที่เราไม่ต้องยกกอยู่ใกล้ๆกันก็ได้อยู่หาทางกัน <c oughs> จะใส่บาทเป็นเงินได้ไหมครับอาจารย์ได้พระอริยะเจ้าท่านยังมีความตกใจอยู่หรือเปล่าครับอันนี้รอไปเป็นก่อนอาจารย์ ทำไมเราถึงแพ้กิเลสครับท้งๆ ท, ที่พยายามตั้งมั่นแล้วครับเพราะเราไม่มีธรรมะเหมือนกับยาเราไม่มียามันก็แพ้เชื้อโรคร่างกายแเชื้อโรคถ้าเราไม่มียากินถ้าเรากินยาเข้าไปาายาก็จะไปทําลายเชื้อโรคได้อัในใดกิเลสก็เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจสร้างความทุกข์ใจที่จะมาทําให้กิเลสายหรือหายไปก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าคือสีณงสมาธิปัญญา ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วว่าจะมีธรรมะปิญาที่จะแก้ยิเรศได้ถ้าขาวถือศีลแปดกับพระถือศีลสอง้อยยี่สิบเจ็ดข้อแบบไหนมีโอกาสบรรลุธรรมได้มากกว่าครับเมันไม่ไดอยู่ที่ศีลในการบรรลุธรรมศีลเป็นเพีนฐารสนับสนุนให้การปฏิบัติธรรมนี้เข้าตัวขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้น ทางทีพระจ้าทรงแสดงว่าศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิช่วยสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาช่วยทําให้จิตหุดค้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่มันเป็นเครื่องมือเป็นขั้นบันไดมีศีลก็ช่วยสนับสนุนให้เกิดสมาธิได้มีศีลมากก็ทําให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นมีศีลน้อยก็ทำให้เกิดสมาธิได้ายากขึ้น ถตนนอยู่ที่ถ้าเรารักษาสิ่งแกับสิวเจ น, นี้คนที่รักษาสินาสาส้องวยคเจนี้จะมีมีมีพลัสนับสนุนกันจะได้นสมาธิได้ดีกว่าคนที่ถือสิ่แกคื อ, คอต้องระวังเยอะใช่ไมครับอาามีสติเยอะมากกว่าอย่ไหมครับคือไม่ไปทำกิจกรรมอย่อยื่นไงให้เอาเวลานอนพอนาะถือสิ่แตนี่บางทีอาจจะไปทำทำงานก็ได้เพราะความริงก็ไม่ได้หาอะไรแบบนั้น ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่คนรอบข้างเขาไม่เข้าใจเรามองเราเป็นคนแปลกไม่เที่ยวเหมือนเมื่อก่อนพ่อแม่อยากให้สอบเป็นนายทหารสัญญบัตรแต่เราอยากปฏิบัติธรรมและบวชเพื่อบำเพ็ญบารมีเราควรจะวางแผนอย่างไรดีครับก็ตามใจเลตามใจตามความต้องการของเราเราอยาจะไปทําไหนนั้นก็ไปมันก็ไปทางของเราตามใจที่เราไม่ไปทาําสร้างความเสียหายเดือดร้อนใดกัู่น แล้วโนตเจ้าท่านก็วางแผ่นจั่วท่านก็เดินทางของท่านไปถึงเวาท่านก็เป็นทําอาหารให้พ่อแม่หรือคนในบ้านใส่บาตรแต่เราไม่ได้เป็นคนใส่อย่างนี้เราได้บุญเหมือนใส่เองด้วยไหมครับคือมันต้องมีอยู่ที่หลายหลายประเด็น่ข้อหนึ่งก็คืออาหารนี้เป็นใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนจ่ายเงินไปซื้อมาทำทำข้าวอย่านี้ คนเจ้าของเงินเนี่ยจะได้จะไ ด, จะได้จะได้บุญจากการทำทานคือเสียสละเงินข้งเาส่วนคนทานเราข้าวก็จะได้ได้บุญจากการช่วยเหลือสนับสนุนการทำอาหารหรือเอาไปใส่บาตนี้มันบุญคนละอย่างกันบุญที่เกิดจากการทำให้ทานคือการเสียสละเงินทองของเราทําเงินที่ช่วยเหลือคนอื่นด้วยด้วยด้วยร่างกายของเรา อันนี้เป็นบนคนละคนละช่องกันแล้วก็ก็เป็นบุญเหมือนกันวิภาควิจารณ์พระสงฆ์ที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้บาปมากไหมครับคําว่าวิพากควิจารณ์นี่ ม, ม, มันไม่ใช่หมายถึงอะไรถ้าถ้าวิเคราะห์ดูตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องของการศึกษาไปก็ได้แต่ถ้าวิพาควิจารณ์ด้วยอารมณ์ด้วยความกดเกลียดชังนี่มันก็เป็นกิเลส มันไไปปรเราจะกล่าวคําแผ่เมตตาให้คนเป็นว่าอย่างไรครับเราไม่ไม่กล่าลวเราตา้องทําเมตตานี้การแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกราทำไม่ได้แผ่ด้วยการการสวดถ้าเราอยากจะให้เรามีความเมตตากับคนนั้นคนนี้เราก็ซื้อขนมไปฝากเขาสิอันนี้ก็การแสดงความเมตตา เราอยากให้เขามีความสุขเราก็ซื้อของที่เขาชอบไปให้เขาดูให้เขาเมื่อเขาได้รับของที่เขาชอบเขาก็เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการให้ความเมตตาอย่างหน่งหรือเวลาที่ก็ทําให้เราโกรธทาให้เราเสียหายแล้วเราให้อภัยเขาไม่จองไม่ถือโอษก่อดเกิแล้วอันนี้ก็เป็นการแสดงความเมตตา ครันวัตสการพระอาจารย์ครับเดินทางมาจากอุดรตั้งใจมากราพระอาจารย์และมาขอหลักใจในการปฏิบัติภาวนาได้ปฏิบัติธรรมที่วัดยานครั้งแรกปฏิบัติที่วัดยาน28สิงหาถึง2กันยาได้ใส่บาต ท, ท่านพระอาจารย์ทุกวันและฟังธรรมหน้ากุฏิมาต่อบนเขาชิโอนวันที่2ถึงวันนี้วันที่7กันยาตอนนี้อยู่บนเขาบินกลับอุดรพรุ่งนี้รวม11วันแล้วครับ มีความปราบรื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เจอท่านอาจารย์ตัวจริงฝั่งที่เป็นจริงครับขอากาบเรียนขอหลักในการปฏิบัติของผู้เริ่มนั่งสมาธิภาวนาครับตอนนี้ยังไม่รู้จะใช้คำบริกรรมอะไรครับพุทธครถ้ า, ราจะใช้คำบริกรรมพุทธก็ใช้คาใช้พุทธเป็นคำบริกรรมสมิว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิเราก็บริกรรมพุทธไป ถ้าเราใจเราคิดมากอยู่คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่สามารถกาะอยู่กับพุโทโธได้เราก็ใช้บทสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์บทสวดมนต์ที่เราจําได้ทข้าไปภายในใจเหมือนกับโดยที่เราอยู่นั่งอยู่ในท่าสามาธิ่ปไหนคือแนทางี่จะใช้คำวิธีการพุโทโธเราไม่ใช้บทสวดมนต์ไปก่อนเพราะมันยาวแล้วมันต้องใช้ความจําความสติมากขึ้นที่จะต้องจดจําบทที่เราสวด มันก็จะทําให้เราเพลิดกับการสวดเมื่อเราเพลกับการสวดได้ความคิดปู่แตกต่างๆที่ทําให้ใจเราฟุ้งก็จะหายไปเม่อเราว่าใจเราไม่ฟุ้งแล้วเราก็ลองเปลี่ยนว่าใช้คำใบคำพุโทโธคำเดียวก็ได้เพราะคำใบคำพุโทโธคำเดียวมันจะทําให้จิตคิดน้อยลงทําให้เข้าสมาธิง่ายง่ายขึ้นปวดฟันมานานอย่างนี้เรียกว่าเป็นกรรมไหมครับอาจารย์ ก็เป็นผลเป็นวิบากของการที่มาเกิดนะแล้วก็ต้องเจ็บนครับทําไมเวลาตอนเช้ามือตื่นแล้วนอนต่อทําไมถึงหัวถึงตื้อมีโมหะครอบทั้งวันเลยครับมันก็ไม่แน่นอนจิตของเาเมื่อวานก็โปร่งสเยาเราต้องตื่นมันก็แตเหตุปัจ่ใยต่างๆที่มันทําให้เกิดความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ มัก็ให้เป็ว่าเป็นด่านที่จมันไม่ได้เป็นทุกวันเป็นวันนี้พวกนี้มันอาจจะไม่เป็นก็ได้มันขึอยู่กับภาว่าหตุการณ์ต่างๆอาจจะได้ข่าวดีได้เงืนได้เงินเดือนขึ้นอย่างนี้ได้งานใหม่ที่ดีได้แฟนใหม่นี่มันอาจจะไม่เติมก็แล้วแต่พอรู้แลยแล้วมัมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้จิตใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาให้รู้ทันมันแล้วอย่าไปทุกข์กับมัน นงรับความเปจรงิงของมันไปอยืนกับมันไปรู้ว่ามันเป็นของไม่เทียงรู้ว่ามเป็นอนัตตาเราสารมันไม่ได้แต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปมีโอกาสไปบวชในขมะที่วัดยานมาและเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงต้องหาที่ส ป, ปายะการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าขึ้นบังคับตัวเองได้ดีกว่าอยู่บ้าน ตอนนี้ถึงสิงคโปร์แล้วครับได้พบพระอาจารย์เหมือนไปชาร์จแบตเพิ่มพลังและกำลังใจในการปฏิบัติกลับมานะครับท่านบ่ายนร้จะมาฟังเทศการเห็นดน์ลากันโ อ, อ้โหสิพระอาจารย์ทั่วโลกเลยนะครับรอาจารย์ อ, นนอัน <laughs> นี้มันไปกับอินเทอร์เน็ตได้หมดครับดี๋างนี้ไม่ต้องภาพไม่ต้องเดินทางไปไหนก็ได้ <laughs> สามารติดไปแสดงธรรมได้ทั้งแข่งทุกคน เป็นเป็นปาฏิหาริย์ไหมครับอาจารย์ <laughs> ไม่ต้องไปปรากฏตัวเลยครับอช่ <c oughs> อันนี้ปาฏิหาริาย์ในยุคปัจจุบันสามารถสง่งส่งตัวเองไปอยู่ตามที่ต่างได้เพราะเป็นในเวลาเดียวกันอยู่สิงคโปร์อยู่อังกฤษอยู่ครับ <laughs> <c oughs> แล้วซูมวันวันต่างชาตินี่คนกันเยอะอยู่ไหมครับอาจารย์คนต่างชาติเยอะเพิ่ม <c oughs> ก็ก็ต้อเราเข้าคิวมปบางทีก็เข้าไม่ได้เพราะว่าคนคนมันเต็มอะเต็มห้องแล้วเวลามันก็จำกัดแค่สองยงนนี่ห้บางคนวันถัดนลังก็เข้าไม่ได้เพราะหมดหมดเวลาก่อนแต่ว่าคนที่มาจากประเทศต่างๆก็ประมาณสักสิบสักประมาณเฉลียประมาณสิบสองสิบสามประเทศด้วยครับที่เข้ามา เพิ่งจะสูญเสียแมวที่รักเลี้ยงมาอยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเขาจากไปถึงตอนนี้ยังทําใจไม่ได้เลยครับจะทําอย่างไรดีครับอาจารย์ก็เพราะว่าเราไม่เตรีมตัวเตรีมใจไว้ก่อนนี่ก็มันผ่านไปแล้วก็ก็เราท่านสอนว่ามันเป็นความจริงของชีวิตว่าการรับท่าจากจากันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องยอมรับให้ได้ถ้าเรายอมรับได้เราก็จะไม่ทุกข์ ถ้ายังยอมรับไม่ได้เราก็จะทุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆการเดินจงกรมกับการนั่งภาวนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับคือต้านั่งจิตใจเหมือนกันคือมีการึมีสติควบคุมใจไม่ให้คิดปลุกแต่งในเรื่องานต่างๆแตที่ต้องมีการเดินสลัดการนั่งเพราะว่าถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าจะอยู่ในอิริยาบถเดียวร่างกายมันจะมันจะเจ็บจะปวด หน้าจะพิการพิการหน้าก็ต้องมีการเปลี่ยนเรียนบทมานั่งเวลานานจะใช้ร่างกายแล้ว เ, เจ็บมาปกปวดตามส่วนตา่างๆก็เปล่ขึ้นมาเป็นการเดินทางเดินจงกลมแทนแการเจริญการปฏิบัติธรรมม่นส่วนของจิตใจก็ยังเหมือนเดิมนยู่การสมาธิเราใช้เําไว้การพุทธธเราลดกาลดงกับกรมเรา ก, ก็ใช้เําไว้การพุทโธต่อได้ ทำไมการไปปฏิบัติธรรมที่วัดต้องใส่ชุดขาวครับถ้าหากทางวัดไม่มีข้อบังคับเรื่องชุดเรายังควรใส่ชุดขาวหรือแต่งกายสุภาพก็พอครับก็แล้วแต่วัดเนี่ยวัดเขามีก่อนมะนมีเรือ่องบาไว้ก็ขต้องตายให้มันเรียบร้อยหน่งทุกคนรู้ว่าไปไดเพราะว่าวัดในทั้งพระในทั้งโยงน่ะถ้าเดือกิดไปใส่เหมือนกับผ้าขึ้นมาเนี่ยก็งงว่าคนนี้เป็นพระและเป็นโยน ก็เลยไปแ บ, บ่งสีกันอพวกสีกะสีสีเหลืองก็เป็นพวกพ้ะพวกสีขาวก็เป็นวคารวะมีคนนําอาหารมาให้ครับแต่เป็นของที่เราไม่ชอบถ้านําไปให้คนอื่นเช่นคนเก็บขยะหรือยามหน้าหมู่บ้านอย่างนี้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปครับเป็นบุญแต่เ้าไม่ควรจะทําต่อหน้าคนที่เขาให้ของเรา เราคนจะเชื่อมจเยินดีให้เขามีความสุขใจที่เขาได้ให้ของเรามากกว่าอย่าไปสรางกิริยาการนำเกลียนนี่มันจะทําให้เขาเสียใจได้เมื่อไม่ต้องอะไรเราให้อะไรามาเราก็รับไว้ก่อนไนดะ้ส่วนเราจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ต้ออย่าให้ใครทีหลังนี้เราไม่ต้องมันต้องรอทําตอนที่เขาไม่ได้อยู่อยู่ตอนหน้าเรานะครับจะดีกว่าการรักษาน้าใจอันดีงาของเขาไว้ มันเป็นของของเราแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะไปทําอะไรก็ได้ให้ใครก็ได้เอาไปใส่บาตรก็ยังใส่ได้ถ้ามันของไม่เสียเปันของกินได้ให้คนขอทานก็ได้หรือเราไปทิ้งถังขยะ ก, ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับแตกต่งางกันทิ้งถังขยะเราก็จะไม่ได้หนเอาไปใส่บาตรหรือให้ขอทานเราก็จะได้หนึ่ เราใส่บาทแต่มีคนอยากใส่ขอของของเราไปใส่ก อ, อย่ามีเขาได้บุญด้วยไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นของของเราเราก็ได้บุญเรียกยว่าเขามาใส่มันมาทําหน้าที่ใส่แทนเราเท่านั้นแล้วก็แบบให้เขาก็ได้บุญตรงที่มาช่วยใส่แต่เขาไม่ได้บุญจากการเสียสละของที่ใส่ไปเพราะเขาไม่ใช่อะไรของเขามีคอมเมนต์มาบอกว่าดูจากอเมริกาอยู่นะครับอาจารย์ ในคนนี้เหยียเสียงเขาบอกเขาบอกว่าติดตามคือหมอทุกวันทเกคือะไรทิศหนึ่งอ้ไรอะไรเขาถึงขั้นที่ส่ ง, ง, นนสงข้อกวามเข้ามาที่ถ้าเราเสียชีวิตตอนหลับตอนนั้นเราจะไปอาบายหรือเปล่าครับเพราะตอนนั้นไม่มีสติครับไม่เนอะมันอยู่ที่ผลนับบุญนะบาปว่าฝ่ายส่วนไหนจะมากมกกว่าถ้าผลนับออกมาบาปมากกว่าบุญก็ไปอาบายไดแน่ถ้าผลนากออกมาบุญมากกว่าบาปบุญก็ไปสวรรค์แทน เป็นหญิงสามารถบวชทดแทนพ่อแม่เพื่อมุ่งหวังให้พ่อแม่ได้บุญจากเราปฏิบัติได้หรือไม่ครับพ่อแม่ได้บุญหรือไม่หรือถ้าสวดนมนั่งสมาธิอยู่บ้านหมั่นทำบุญให้พ่อแม่ท่านได้บุญเหมือนกันหรือไม่ครับไม่ได้เลยบุญใขนขณะที่มีชีวิตอยู่นี่เราทำนี่ทำแทนกันให้ไม่ได้ เพื่อนชอบพาไปหาคนทรงเจ้าครับหลายๆคนหลังๆเริ่มปฏิเสธชีวิตมีเพื่อนอยู่คนเดียวอย่างนี้จะคบต่อไปได้ไหมครับอาจารย์แล้วก็ยากแย่กันเลส่วนไหนที่เราไม่สามารถตามตามก็ได้ก็บอกปฏิเสธไปแต่เราก็ยังสามารถถือเป็นเพื่อนกันได้อยู่ยเมื่คนจะเข้าลบเสร็จของของความเชื่อของแต่ละคนเขาอาจะนับถือศาสนาอื่นนับถือศาสนานี้ก็ยังสามารถเป็นเคื่อนกันได้ ถ้าเราไม่เอาเรื่องศาสนามาเป็นเป็นเป็นข้อบังคับแล้นเรื่องของความเชื่อววเราก็ตรองควรจะปล่อยให้เกิดไปลายทางในชะลักษของของแต่ละคนใ น, นเรื่องของการเป็นเพื่อนก็คือมีความปัดทะน้าดีต่อกันก็ยังเป็นได้อยู่จะมีวิธีอย่างไรให้24ชั่วโมงของเราเป็นบุญไม่เป็นบาปเลยครับก็คติเติอยู่ตลอดเวลา ควบการควบกุมใจควบ ก, กุมการคิดไม่ให้ไปคิดได้ไปให้อยู่กับพุโทธโธพุทโธไม่ให้อยู่กับการเคลื่อ น, นไหวของร่างกายไปตลอดนะครัก่อนแม่เสียชีวิตท่านไม่ได้จ่ายค่ายาที่ค้างไว้แต่พอลูกจะไปจ่ายให้เขาไม่อยู่ไม่รู้ย้ายไปไหนแล้วเราจะต้องทําอย่างไรครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะ้ะเราไม่สามารถติดตามได้ครับหมายแป็นในเรื่องของคุณแม่เขา สุนัขที่เราเลี้ยงเราแผ่เมตตาให้เขาด้วยเขาจะได้รับผลบุญด้วยได้ไหมครับเขาไม่ได้ผลบุญจากการแผ่เมตตาคือการแผ่เมตตานี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเขาได้รับความเมตตาจากเราเให้ความรอดกับเขนานให้อาหารเขากินแต่เรื่องของบุญนี้เราให้เขาไม่ได้เขาต้องทํำเองแต่ถ้าเร า, าทําไม่ได้ก็เป็นศาสต์เดรัจฉาน เพรา่าต้องรอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนว่าถึงจะสามารถทํเาเองได้จอดรถยนต์ไว้ที่วัดจะเป็นหนี้ธรณีสงไหมครับบ้านยังไม่ได้ทําที่จอดรถครับเก็อยู่ที่ธรรมะอ น, นุญตให้เราจอดหรือไม่อนญาตก็ไม่เป็นหนี้แต่อย่างใดที่เราใส่บาตรอุทิศบุญกุศลให้บิดามารดาคนที่รักเขาจะได้รับไหมครับ ต้องเป็นคนตายนั่นเป็นคนที่ดวงวิญญาณต้องการบุญถ้าดวงวิญญาณเขาไม่ต้องการบุญเขามีบุญพอที่จะดูแลใจเขาเองได้เขาเาก็จะไม่มารับเงินของเขาแต่สำหรับคนเป็นถ้าเราอยากให้เขาได้มีความบุญก็คือความสุขถ้าเราอยากให้คนเป็นมีความสุขล้วก็ไปทำงานที่ทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมาให้เงินเขาบ้านให้ซื้อทอของที่เขาชอบมารือช่วยเหลือเขาอย่างใดอย่างหนึ้ง อันนี้ก็จะทำให้เขาไม่ความสุขเขาเรียกว่าได้ทาบุญครับคนเป็นส่วนคนตายนี้เราทำบุญคนตายไม่ได้เราต้องส่งบุญไปนนที่บ้านเลี้ยงสุนัขจรจัดหลายสิบชีวิตครับมีบางตัวที่ป่วยแต่ดูแลได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปไหมครับเงินไม่ค่อยมีครับได้บาป ขนาดนั่งเจริญสติภาวนาพุโทโธหลังจากนั้นเริ่มนิ่งเหมือนหายไปแล้วนึกได้ว่าต้องพุโทโธต่อไปแต่เมื่อกลับมาภาวนาพุโทโธแล้วเหมือนความนิ่งหายไปจึงไม่แน่ใจว่าเมื่อรู้สึกตัวพุโทโธหายไปควรทําอย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์ในความกระจ่างครับถ้าพุโทโธหายไปน้องความคิดไม่มีจิตนิ่งจิตได้ไม่ ม, ไ ม, ม, ไมีความคิดก็ไม่ต้องทําอะไรให้มีสติรักษาความนิ่งความว่างไว้เรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นสมาธิในระดับหนึงห่งครเจริญอสุภะกรรมฐานอย่างเดียวสามารถถึงนิพพานได้หรือไม่ครับไม่ได้นะอัศร้ายจะพาให้ไปถึงขั้นอน า, าคามีได้เรื่อรักกรรมราคะสามยนกรรมราคะกับปฏิฆาได้แต่ต้องผ่านขั้นถุงสมนวานขึ้นไปก่อนตน้งรักสักการณทิาติยใหได้ ใ น, นการพิจารณาขันหน้าว่าเป็นอนิจจทุกขัหรือน้ำตามันเป็ น, นขในการพิจารณาสภาพภพกรรมรคาคะกรรมปิตาแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปถึงขั้นหน้าเราเนี่ยมีสัญญาในข้ข้อที่เราบรรลุดูแลคุณแม่พิการทางสมองคนเดียวมาตลอดแต่ทะเลาะ ก, กันกับแม่ทุกวันแบบนี้จะได้บุญหรือได้บาปครับ แต่ได้ทั้งของอย่างในทั้งบุญในทั้งบาปก็อย่าไปทะเลอะกันเลยยอมแม่เราไปมันดูแลแม่แเราต้องตอบตัวเราเป็นเหมนคนรับใช้ไม่ใช่เราเป็นเจ้านายแมถ้าเราเป็นคนรับใช้เราก็จะไม่กล้ารทะลาดกับเจ้านายให้แม่เป็นเจ้านายเราเป็นคนรับใช้แม่จะพูอย่างไงก็ค้าขาไปขอบคุณไปครับทุ่มไปก็ไม่ต้องทะลอดกัเราก็จะได้บุญแต่ที่ไม่มีบาป อ่านประวัติหลวงปูรีหลวงตามหาบัวท่านทิ้งเมียท่านมาบวชโดยมาแต่ตัวแล้วไม่กลับไปหาครอบครัวอีกเลยแบบนี้ท่านมีบารมีมาแต่อดีตชาติหรือไม่ทําให้ท่านตัดสินใจได้เด็ดขาดเช่นนีครับก็ต้องมีอย่างแน่นอนอยากทราบว่าหมาแมวที่ตายไปจะได้เกิดเป็นคนจริงไหมครับจริง ถ้าหบดบาปที่เขามีในใจที่พา่ายก็เกิดเป็นสัตว์ในชาญหมดเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นคนตอบไม่ได้คิดถึงแม่ที่เสียไปแล้วและโทษตัวเองตลอดว่าดูแลท่านไม่ดีพอเพราะห่วงงานที่ทํามากกว่ารู้สึกเสียใจตลอดจะทําอย่างไรดีครับผมยังไม่ช่วยให้เสียเวลาเลยคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันจะดนาดีมันผ่านไปแล้ว ทำไมเราจะต้องมาเกิดด้วยครับเพราะเรายากมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอ ย, า, อยากใช้ร่างกายมันแค่มพาเราไปดูไปฟังไปกินไปเดินเราก็ต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายที่ตายไปความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันอยู่ในใจมันไมจะสนใจให้ไปหาร่างกายใหม่นวัตขึ้ใหม่ตอนนี้คําถามใกล้จะหมดนะครับธรรม เพื่อนๆสามารถจะส่งคําถามเข้ามาเพิ่มได้นะครับพิธีรดน้ําศพจําเป็นต้องทําหรือไม่ครับอาจารย์แล้วแต่อันนี้เป็นพิธีศพจริงๆาการจัดการศพก็คือการไปกับจัดนั้นอย่ันยาอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้มันมาสร้างปัญหาให้กับคนเป็นที่งกลิ่นเหมือนหรือทให้เป็นเป็นเป็นศิษงที่ไม่น่าดูน่าชมนั่นเอง ทำอะไรนี่ยังไปฝังบ้างไปเผาบ้างกรวดน้ำให้คนมีชีวิตได้หรือไม่เพราะเขาร้ายกับเราบุญนั้นจะทำให้เขาคิดดีเป็นความคิดที่ผิดหรือถูกครับก็กรวดน้ำด้วยการทําความดีกับเขาเนี่ยกับคนกับคนที่มีชีวิตอยู่นี่เราก็ให้ความสุขกับเขาด้วยการทำความดีกับเขาให้เขามีความสุข รู้ว่าเขาชอบอะไรก็ซื้อสิ่งนั้นมาให้เขาริงบ่อยๆให้เขใช้บ่อยเดี๋ยวเขาก็จะรัดเราชอบรับทำไมท่านเดิมถามนะครับอาจารย์บอกว่าแล้วทํายังไงจะไม่ให้เกิดอีกครับก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ต้าเป็นวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากการเสริมรูปสิ่งกินนั้นก็มาความสุขจากการนั่งทําใจให้สงบนั่งสมาธิ อเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิล้วก็เลับเศรกาจได้เรักเศรษฐ์กูปเศรษินนันได้เราก็กกากกกาจะไม่ต้องกทรมาเกิดทุกวันนี้ต้องดูแลสามีที่เป็นสโตรกรู้สึกทุกข์ใจมากเพราะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยครับขอคํ า, าชี้แนะอาจารย์ครับก็เพราะว่าเราอยากจะมีเวลาให้กับตัวเราเองเราก็เลยทุกขแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเป็นการทำบุญเปนการแผยเมตตา ให้กับคําเราก็จะมีความสุขได้เวลาสวดมนต์ไหว้พระมักมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามารบกวนแบบนี้จะเป็นบาปไหมครับไม่บาปเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมีความสุขสบายดีครับถ้าเราไม่มียาวิเศษเราคงจะไม่รู้ พอจิตนิ่งรักษาสติยังไงครับก็จิตนิ่งง่ายกรแสดงสติแล้วสมดุลสติก็คือการละเลิกแล้วรู้อยู่ว่าอะไรจิตนิ่งจิตสงบจ็ตไม่คิดปรุงแต่สติก็กำลังรู้เฉยๆไปรู้อยู่กับความนิ่งไปเมื่าจิตไม่เน่งบบคิดสติก็ต้องงานต่อหยุดหยุดความคิดให้ได้ด้วยการใช้คําบริกรรมหรืออะไรอย่างใดอย่านง การจะกําจัดมดที่ยกขโยงเข้ามาในบ้านบางทีก็ลงในจานอาหารอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับถ้าคเขาว่าบาปเนอะเห็นพระตัดผมสกรีนเฮดเป็นลวดลายอย่างนี้เหมาะสมไหมครับคือไม่เห็นนะแ้วไม่เห็นพระที่จะปดวแบบไม่มีลวดไม่ไดน้นะ การชอบดูดวงเป็นบาปไหมครับ็นความหลมแล้วเรื่องโดยธตานี้มันไม่ใช่เรื่องความจริงอามหลักพระพุทธศาสนาความจริงอยู่ที่ทาการกระทำของเราเท่านั้นคือกรรมทำบุญหรือทำบาปที่จะเป็นผู้ชี้ชะตาอาะไรคนหัวหน้าจะไปในทิศทางไหนทำอย่างไรให้ทางานกับหัวหน้าที่ไม่เก่งและไม่เป็นคนดีได้ครับ ก็ต้องอยอมนะว่าเขาเป็นคนหน้าเราล้วก็ทําทําตัวเป็นลูกน้าเข้าไปไม่ต้องไ ป, ไไปยึ่ง่าเขาเขาไม่ดีก็เล่าของเขาไปเราเป็นหน้าที่รับคำสัางจากเขาแล้วก็ทําำําหน้าที่ของเราไปใส่บาตแล้วจําเป็นจะต้องกรวดน้ํำไหมครับถ้าเราต้อง อ, อุทิศบุญได้กับผู้ที่ร้องรับแ ล, แล้วเราก็ต้องกวดแต่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ำกวดกรวดบุญอุทิศบุนออ การทำทินบนี้ใช้ความระลึกในใจเราพอเราทําบุญเสร็จแล้วกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วก็ขอแบกความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ลงน้ำไปยล้วได้ชนะใจตัวเองไม่ได้สักทีแพ้กิเลสจะทํายังไงดีครับจิตปรุงสร้างครับก็เริ่มต้นที่สติเนีะพยายามฝึกสติบ่อยๆพ อ, อสติมีกําลังมากขึ้นแบบไปก็จะชนะกิเลสได้ เป้าหมายที่ดีที่สุดของชีวิตคืออะไรครับคือการไม่กลับมาเกิดเลยก็ต้องไปบวชเป็นต่างอาหารนะก่อนจะทานอาหารควรพิจารณาอย่างไรครับต้อพิจารณาว่ามันเป็นของที่ไม่น่ายินดีไม่น่าเกินด้วยความอยากเพราะว่ามันเป็น พอมันเข้าไปในปา่าเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็เป็นของที่น่าเดืนน่มนะเป็นปฏิกูลของสุขของโกรกไปที่เรากินอาหารนี่ให้กินเพื่อเลี้ยงร่างกายไม่กินยาอยาไปกินอาหารเพื่อที่จะให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมาการที่เราใส่บาตรแล้วพระเอาขนมคืนมาให้เราไม่รับได้ไหมครับ ได้เราจะไม่รับก็ได้แต่ในบรรยาคายให้เราเราก็รับไว้ไม่ให้ผู้ที่ให้เขาเสียเสียกำลังใจส่วนเราจะเอาไปทําอะไรต่อนี้ก็เป็นเศษของเราและเราก็ไม่เป็นหนี้ของผู้ที่เขาให้เราเพราะเราไม่ได้ไปของเาขานี้เรารับไม่ได้เราไม่เถื่อ เ, เป็นหนี้บัลคุนกันถ้าเราไปขอขเขาแล้วเขให้เราเนี่ยอันนี้เราเป็นหนี้บัลลุนเขา เขาหน้าเขาขออแล้วเจะต้องตอบแทนมคุกให้กับเขาตอนนี้เลี้ยงน้องหมา5ตัวให้ทั้งอาหารให้ทั้งความรักกับเขาทุกวันถ้าเขาตายพบชาตินี้แล้วเกิดใหม่เป็นคนเขาจะระลึกคิดถึงเราให้ข้าวให้น้ำให้ความรักเขาไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะเรามาเกิดอะไรจําไม่ได้ใครเป็นใครเลย ถ้าเราตายไปแล้วกิเลสมันจะตามเราไปไหมครับไม่มันอยู่กับจิตใจของเราสัตว์ดเดรัจฉานสามารถสร้างบุญบา ร, รมีได้หรือไม่ครับไม่ได้มันโชคที่เขาเราเล่วิบากกรรมของเขาเขาจะมาสร้างบุญบา ร, รมีได้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นการเป็นถามผู้จารย์ครับก่อนศาสดจีนสองวันฝัน เห็นคุณแม่ที่เสียชีวิตมาชวนไปนอนด้วยกันแต่ตัวเราเองปฏิเสธว่ายังไม่ง่วงแบบนี้เป็นสัญญาณอะไรไหมครับพระอาจารย์ไม่เป็นแล้วมันก็เป็นความความคิดผูกใจมันจิเราคิดไปแล้วถ้าจะเป็ น, นก็เราสังเกตดูสิมันต้องไปงกก็นคนชาตสังเกตดู ว, ว่าวเราฟันอย่างนี้แล้วเกิดอาการอะไรขึ้นมาต่อไปก็ลอง เ, เก็บสติไว้ว่ามันตกกเขาฟังทุกครั้งไปหรือา ถ้าอย่งนี้ก็าจะมีมีมีมูมีซามีอะไรที่ทําให้เราอาจจะเชื่อได้ว่าเป็นความจริงไม่ได้ต่อพอดีเลยครับอาจารย์ฝันทุกครั้งจะเกิดจริงเสมอล่าสุดฝันว่าพ่อล้ยแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงๆครับอาจารย์ถ้ามันเกิดขึ้นทุกครั้งก็แสดงว่าเรามีจิตเรามียาพิเศษ ผู้ที่มีอายุยืนมีบุญหรือมีบาปไม่ได้คนในอายุยืนแต่ต้องทุกข์ทมาวิบากกรรมไปนานคนที่มีอายุสั้นก็อาจจะไม่ท้อรับวิบากกรรราะเาอาจจะมองว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ได้บางคนอายุยืนแล้วมีความสุขะตลอดทั้งชีวิตก็แสดงว่ามีบุญมันไม่อยู่ที่ว่า ชีวิตยาวและสั้นอยู่ที่วอยู่อย่างมีความสุขหรยความทุกขมากการปฏิบัติธรรมถือศีลแปดไปทุกวันเรามีโอกาสปฏิบัติธรรมถึงขั้นพระโสดาบันไหมครับนอกจากศีลแปดแล้วเราตนั่งสมาธิให้ได้ทําจิตโนุมเป็นอั ป, ปนาสมาธิแล้วก็กระจายปัญญาพิจารณา่างกายมาไม่ใช่ตัวเราเองเป็นริมเลียงริมน้ําลงไเปเกิดแก่เจ็บตาย เราต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ไม่ยึดไม่จับไม่สวดศพเผาเลยอย่างนี้ผิดไหมครับไม่ผิดเลยถ้ามีที่เขาที่เขาจะทำให้เราได้ครับมาก็ไปให้เขาทําให้ก็ได้สติปัฏฐานสี่ต้องทําเรียงไปตามลาดับหรือไม่ครับก็เป็นขั้นเป็นตอนสติปัฏฐานสี่นี้มีสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือให้เจริญสติก่อนแล้วเ่ามีสติแล้วก็ให้มันนั่งสมาธิดูเอาหมายใจเข้าทีป่าชุมเมือได้สมาธิได้ปัญญาสมาธิน้อยยากออกสมาธิมาก็ามาเจริญปัญญาพิจารณาร่างกายก่อนแล้วก็พิจารณาเวทนาแล้วก็พิจารณาจิตเม่เป็นตายแล้ว่อปยวางเพื่อไม่ให้ไปเท่า ก, กับร่าง ก, กายไม่ให้เท่า ก, กับเวทนาไม่ให้เท่า ก, กับจิต การตายเผาแล้วอัฐิลอยน้ำหมดกับเก็บอัฐิทั้งสองอย่างอย่างไรถูกต้องและต่างกันอย่างไรครับไม่ไม่เป็นผลแต่อย่าต่อลวงวิญญาณของผู้ตายนะทำยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเก็บไว้ก็ได้จะลอยคายก็ได้โลกนี้น่าอยู่ไหมครับอาจารย์ทุกคนไม่ครับพ ว, ว, ว, วกเขาว่าน่าอยู่แต่เราไ่เจอคํามทุกข์เขาก็ว่าเขาแปลว่าไม่น่าอยู่ ซึ่งคนเราส่วนใหญ่้วมันตอนที่เรายังไม่แจกแ่เราก็จะจะความสุขมากกับความทุกข์เราก็เชื่ว่ามันจะได้ยอยู่แต่พอเราแก่เท่าลงไปมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นไปเห็นความตายใกล้เข้ามาอยู่เรื่อยแต่ที่เห็นว่าเป็นโลกที่ได้อยู่มันก็จะกลายเป็นโลกที่ไม่ได้อยู่ไปก็ได้มัก็มันก็เป็นทแค่สองอย่างแล้แต่สถานภาพของเราว่าเราอยู่ในช่วงไหนของชีวิต โชคนี่มีความสมก็ได้อยู่โชคที่มีความทุกขมันก็ไม่ได้อยู่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วทิ้งที่ดินไว้ให้ท่านเคยบอกว่าอยากถวายวัดเราขายที่ดินแล้วเอาเงินถวายวัดพ่อได้บุญไหมครับไม่ได้ครับเพราะพ่อไม่ได้ไม่ได้ทำตอนที่ท่านยัชีวิตอยู่พราะท่านใหญ่จะได้บุญท่นทานน้องทำตอนที่ท่านยัชีวิตอยู่เพราะท่านจะได้ในความสุข ความสุขก็คือีแต่และที่ถ้าไม่ได้ทำนะความสุขไม่ได้เกิดจะทําอย่างไรให้การปฏิบัติธรรมถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรดีครับเนื่องจากแต่ละสํานักก็มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายครับก็รัศึกษาจากแนวทางที่ถูกต้องมก็คือศึกษาจากพระตัณไปเดชยิ่งศึกษาจากว่าสติปัฏฐานสี่อันนี้แหลเป็นคํำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้ ถ้าเราสามารถศึกษาไม่เข้าใจเพระพระสัจเป็นประธานส่วนนี้ได้เราก็จะมีแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็เพ ย, ยายามปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างที่พี่เลี้ยอธิบายขั้นตอนแรกสร้างสติขึ้นมาเพื่อจะได้นั่งสมาธิให้ให้เราเป็นอัปปนาเป็นชานขึ้นมาพอจิตมีชานในสมาธิล้วก็จะมีกําลังที่จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเมตนาปล่อยวางจิตได้เท่าไหรก็เป็นทุก ทำบุญอุทิศให้สัตว์เลี้ยงด้วยอย่างนี้เขาได้รับบุญไหมครับตอนนี้ที่ายแล้วถ้าเขาเรานั่งอยู่เขาไม่จะไล่ส่งคลิปสั้นที่พระอาจารย์สอนไปให้แม่เผื่อเขาจะคิดได้และเลิกโทษคนอื่นเช่นลูกไม่ไปหาทาง้งทางที่ลูกอยากไปแต่เพราะเขาอารมณ์ร้ายชอบดุด่าแบบไม่มีเหตุผลแม่รวยมากๆ ม, มีบริวารคนคอยรับใช้สามสี่ร้อยคน เราส่งคลิปพระอาจารย์ไปให้ทางไลน์เฉยๆเพื่อเตือนสติแม่ทำแบบนี้ได้ไหมครับเขามัวมาเอาอํานาจเงินกับแฟนใหม่มากครับเคอเราส่งไปได้แต่เขาจะดูเราไม่ดูแล้วไม่รับเข้ามาบูชาข้าวพระพุทธที่บ้านจะได้บุญเหมือนกับใส่บาตรไหมครับไม่ได้พระพุธนีท่านไม่ได้กินข้าวเอาไปตั้งไว้เฉยๆ การทําจิตใจให้นิ่งทําอย่างไรครับใช้สติกับกลับใจไม่ให้คิดเปลี่ยนให้ใจอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอันใดอันหนึ่อยู่กับพุโทโธพุโทโธอยู่กับลมหายใจเขา้าเป็นต้นถ้าเราพูดโกหกเพื่อมให้อีกฝ่ายโมโ ห, โหหรือเสียใจเช่นซื้อของมาราคาหนึ่งแต่บอกอีกราคาหนึ่งเป็นการผิดสีมข้อสี่ไหมครับ เปลี่ยนก็เป็นการพูดปลดพู ด, พดม่ตรงกีกับความเจริงพอว่างนิดๆหน่อยๆก็หลับขะหลับตานั่งสมาธิสั้นๆแต่วันหนึ่งจะนั่งมากกว่าหนึ่งครั้งทำถูกหรือไม่ครับทำมากจะไหลน้อยดีการทำจิตใจให้นิ่งทำอย่างไรครับ ก็ให้สติงไงกำกับใจให้อยู่กับพุโทโธแล้อยู่กับลมหายใจ้าอยากให้พระอาจารย์แนะนำว่าทำยังไงจะเลิกวิตกกังวลได้ครับเขาเรายอมรับความจริงมากกลมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพ้าทาจากกันเป็นธรรมดา อยากทราบผลของกรรมของคนที่ทำแท้งทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาเพราะไม่รู้บาปบุญและมีวิธีทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณลูกที่เราทำแท้งไปเราต้องตั้งจิตอย่างไรกับผลกรรมนี้ครับแล้วจะต้องได้รับผลกรรมเช่นไรครับก็พระพุเจ้าบอกว่าเร่บาปกรรมนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะเราเรารู้ได้กะเพียงแว่าทาบาปแล้วเราก็จะต้องไปชดใช้บาปในอบาย จะไปเกิดเป็นเนลาช้านั้นไปเป็นสุนรากายแล้วไปนรกถ้าเวลากรรมมาเกิดเป็นวันนาอาจจะทุกถุ ก, ถ, กถุกทำกลับก็ได้เราไปทำเอาแทางเราก็อาจจะโดยเขาทำแทนีงกลับเราก็ได้ในทางที่เราจะได้มาเกิดมาอยู่ในเท้าแม่แม่ก็กทำแทงแต่ก่อนเราก็ไม่ได้กเกิดเสียที ทำยังไงให้สติทันอารมณ์ที่ไม่ดีครับรู้ทั้งรู้แต่ยังโมโหทุกทีครับต่อสติอย่างน้อยไปก็เล่าสักแค่มากขึ้นสักแค่บ่อยขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เหตุบังเอิญใช่ไหมครับก็เป็นผลที่กิจการกระทำของเราส่วนหนึ่งาการกระทําอาผู้อื่นส่วนนึ่ง เคยเกิดเป็นชาวพุทธแล้วชาติต่อไปถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์จะได้เกิดเป็นชาวพุทธอีกหรือไม่ครับถ้ามันเป็นพูดแบบที่ฟังแล้วมันก็จะเป็นพุทธต่อไปนะเป็นพุทแบบไม่ฟังแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่เราไปอยู่ด้วยเพ่อแม่เาจะไม่ต้องถือพุทธเข้าชวนเราไปเป็นอย่างอื่นเราก็อาจจะไมเป็นอย่างอื่ก็ได้ถ้าความเป็นพุทธของเรไม่ฟังแล้วเป็นฉันดาง คำถามมีคล้ายๆกันนะครับที่ว่าถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาถ้าตั้งใจทํางานคิดถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติบูชาไหมครับใช่ปฏิบ <surg entar> ัต <psychological suffering bureaucracy> ิบูชาต้อบูชาปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้ามาเกิดการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญายั่าเป็นการบูชาไม่ใช่เป็นการการไปทำาหากินแลีงชี่ยงด้วอาชีพต่างๆนี่ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา แมวที่เลี้ยงไม่สบายพาไปหาหมอหมอฉีดยาให้แล้วแมวชักเสียชีวิตอย่างนี้เราเป็นผู้ทำบาปใช่ไหมครับไม่บาปนะเรามีเจตนาดีเราต้องการาารักษาแต่มันถึงเวลาถึงเวลาที่เขาจะต้องตายเวลาเราจะปฏิบัติธรรมใจมันบอกว่าอยู่แบบโลกโลกดีอยู่แล้วจะสู้กิเลสตัวนี้อย่างไรครับก็คิดถึงเวลาที่มันแก่มันเจบมันตายหรือบ้างไหม ว่ามันจะดีไหมตอนนั้นมันก็ไม่ดีแล้วนะงั้นวิบทำในตอนนี้นักด่าที่เรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากพิมพ์หนังสือพระอาจารย์แจกในงานศพของตัวเองต้องขออนุญาตจากพระอาจารย์ก่อนไหมครับไม่ต้องสามารถพิมพ์ได้เลยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าถือศีลแปดกับถือศีลสิบได้กุศลต่างกันไหมครับ ก็ต่างกันนิดหน่อยที day, time, day, so time, so now, ่ข้อที่จับต้องเงินทองกับไม่จับต้องเงินทองถ้าถือสินแบงคนั้นจับต้องเงินทองได้อยู่ถ้าจับต้องเงินทองได้บางทีก็กิเลสก็จะชวนให้ไปซื้อของไปช้อปปิ้งได้แต่ถ้าไม่จับต้องเงินทองรก็กิเลสก็ชวนให้ไปช้อปปิ้งไม่ได้เพราะมีเงินไปสื้อซื้อของไปช้อปปิ้งได้ อยากลดละทิฏฐิมานะคนททำอย่างไรครับก็บฝึกตัวเองให้เป็นเจาคิดตัวเองว่าเป็นคนใช้คูดเปนะ็นทุนทรับใช้คนเลยาการกรวดน้ำเรากลวดเป็นภาษาไทยไม่ต้องใช้ภาษาบาลีได้ไหมครับได้ตอนนี้คนเลยส่งคำถามมาเต็มเลยครับอาจารย์ <laughs> ตอบไม่ทันแล้วถ้าเราเคยทําบาปมาก่อนแต่หลังจากนั้นเปลี่ยนมาทําบุญรักษาศีลกรรมที่เราต้องรับจะเบาลงไหมครับเคยได้ยินว่าเหมือนเติมน้ําเปล่าลงในน้ําเกลือหรือไม่เกี่ยวกันครับคือมันเป็นคนบัญชีบาปก็เป็นบัญชีหนึ่งบุญก็เป็นบัญชีหนึ่งไม่ตร่างกันบาปก็สะสมไปเรื่ยอยๆเราทำบา ป, สาสปบุญก็สะสมไปเรื่อยๆบุญเราทำมันก็สะสมไปเรื่อยๆ แล้วมันจะมาเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะเป็นผู้รับผลบุญหรือผลบาปว่าเวลาที่ร่างกายหลาตายแล้วบุญกับบาปมันก็จะมาบูรลบคูนเอางั้นกถ้าผลรับ อ, กออกมาบาปมากกว่าบาป ก, ก็จะส่งผลพาให้เราไปเกิดในอาบาลแต่ถ้าบุญมากกว่ามันจะส่งผลให้เราไปเกิดในสวรรค์ พระอาหารหันต์มีหน้าที่ไหมครับแล้วหน้าที่พระอาหารหันต์คืออะไรครับแล้วต้องทําเหมือนกันทุกองไหมครับไม่มีหน้าที่ใดท่านหมดเกล็ดล้วเส้นเกล็ดเกล็ดในพรอาจารย์ได้สิ้นสุดลงแล้วท่านไม่มีหน้าที่ท่านทำอะไรเลยนะส่วกนการจะ ส, าสั่งสอนโน่นนั้นก็แล้วแต่อัจฉรยาสายก็แต่ท่าท่านอาจจะไม่สะดวกไม่ฉลาดไม่ใช่ไม่ฉลาดไม่ไม่ถนัดในการสั่งสอนนั้นก็ไม่สั่งสอนก็ได้ พี่ชายเสียชีวิตไปแล้วครับทำบุญอุทิศบุญไปให้พี่ได้บุญไหมครับอย่างที่บอกท่าดนดวงวิญญาณเขารอรับอยู่เขาก็จะได้ถ้าเขาไม่รอรับอยู่เขาก็จะไม่ได้ฟาร้องมากดังเลครับอาจารย์จะสามารถระงับความคิดปรุงแต่งได้อย่างไรครับ ก็ใช้สตสกัค ด, กวก ด, ดวความคิดผูกแตกมาบริกรรมพุทโธพเทอธสวดมนไปความคิดผูกแตกต่างก็จะขึนขึ้นมาไม่ได้เมื่อขึ้นมาได้ก็ไม่มีกาลังพอถ้าเราไม่ไปสนใจกับความคิดเดีย๋ยวมันก็จะาหายไปญาติเสียชีวิตเราจัดงานศพคืนเดียวเป็นการสมควรไหมครับการไว้ทุกโดยใส่ชุดขาวดําให้ญาติที่เสียชีวิตแล้วควรไหมครับ อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนจะเก็บเกินเดียวได้บางคนไม่เก็บกตาเช้าเ ผ, ผาเผาเรียนก็ได้บางคนบางคนเก็บห้าสิบวันร้อยวันก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนก็แล้กันกไม่เหมือนกันคาว่าละนันทิมีความหมายอย่างไรครับอันนี้ไม่ทราบเดีวค้นหาในกูกเกิลนะคอยากให้หลวงพ่ออธิบายตัวจิต ตัวสามัญชัญญะสมัมประชัญญะหรือเปล่าครั บ, รบตัวรู้ตัวเดียวกันหรือไม่ครับคือจะนี้เป็นท่านรู้ที่มีการสามารถรู้เรื่องราวต่างๆได้ก็จะทำอะไรก็ออกไปมาแล้วก็ไปเขเ้วกลับเข้ามาแล้วก็กลับมามด้เลยเหนื่อยก็เลยต้องยอมมันยอมอยู่เย็น เลยอยู ill, right. hmm. okay. еюсь, yeah. re ่ก็อยู่มันจะเ่าก็เหาไปจนี่นะม่คิดว่าเดียวเดวเนี่ยปั๊บเดียวทั้งทั้งทีมึงก็เสร็จแล้วมก็ันก็เหนื่อยแล้วมึงไม่ว่าหาบนีนะครับไม่คว่าอาจจะดีอย่างมันเหมือนกับมค่าค่าจ้างยาวไงอันนี้พวกนี้ก็เป็นวัญญาให้เราถ้มีใครแตลงหน้าเข้ามาเราก็จะเห่าจะหจะได้นะเราก็เสียค่าค่าค่าจ้างอะก็ท่าให้มันเหาให้มันหอนตามว่าตามที่มันต้องการ ระวังว่ามองมันก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษก็มันาอาเห่าหอาอันที่นั่นรกบผันให้กับเราแต่ประโยชน์มันก็มีมันอาจจะมาช่วยเป้าบ้านให้เราช่วยเวลามีไข่แปลงหน้าเข้ามามันก็จะได้ได้เห่านะได้ได้ถ้ามองอย่างนี้มันก็โอเคขอรับได้ถ้ามองว่าอยากจะให้มันไม่มาห่าไม่หมันามันก็จะทุกข์เราจะพยายามหาวิธีกาจัดมันเพื่อมันอาจจะ อาจจะไปทำให้เป็นเวเนกิการ์กันขึ้นมาก็ได้เรื่องปลาที่มีก็ปล่อยลงไปเลยนะคุยกันนะครับอาจารย์ครับเลยครับเชิงน้ำไม่คิดพูดเรื่องจิตจิตเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นธาตุรู้่านุรู้นี้มีความสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ซึ่งนี้ธาตุอย่างอื่าา น, น, น, น, อ น, ไนไม่มีความสามารถท่านน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี้ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ แล้วธานรู้นี่แหละเป็นผู้ที่เป็นเป็นเป็นงองค์วิญญาณเป็นจิตใจเวลาที่มามาครอบครองร่างกายถ้าตุรู้นี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นจิตใจนอกจากมีความสามารถที่จะรับรู้แล้มันยังมีความสามารถที่จะคิดจะรู้สึกนั้นคิดได้เลยเราสามารถรับรู้เสียงกิ่นรสที่เข้ามาทางตาจะบอกวิญญาณของร่างกายได้อันนี้คือท่านรู้คือจิตใจหรือวิญญาณตัวเดียวกัน คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับการฟังธรรมสามารถทําให้ไปนิพพานได้จริงไหมครับคือมันก็ต้องฟังก่อนวิธีไปนิพพานแล้วไปอย่างไรแต่ฟัาางอย่างเดียวยังไปไม่ได้ต้องปฏิบัติตามที่เราได้ยินได้คําก่อนเราถึงจะไปได้เหมือนกับการไปทางทางว่าอยากจะไปกรุนเทพไปยังไงพอารู้ว่าการกรุงเทพมันต้องไปยัง น, นัดทางนี้แล้วก็ ผมตาาอบครับดครับาารขอการรับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในในเบซ529ในยู589ในคลับ6ในพิกโต๊ะ429นะครับรวม 1,553 คนครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา20นาทีครับอาจารย์ต่อไป125คำถามครับ ก็ยนดกักข <to> ั like rate, ้ที่ท่านรู้สละนานทั้งตากทั้งขากันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์่นบานพันล้นสำหรับกาทีาทวันนี้ก็คือม่าพอสมควรแก่ันละเรขอให้ท่านชมนางสิที่ท่านได้ยินใด้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขาเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอสาธุ สำหรับวันนี้ก็คิดว่าต้องขอราท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอไว้เพียงกั่นี้โอกาสหน้าถ้าไม่มีเหตุขับข้อมอะไรก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยขอเชิญท่าครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ